Book 2 5ห้าสิบสี่ซื้อของ h ัมเมลดิฉันต้องการซื้อของขวัญนแต่เอาที่ไม่แพงมาก อาจจะเป็นกระเป๋าถือคันช์เช e นเปกระเป๋าถือคุณอยากได้สีอะไรวิลกันสีอะไรซีดำาสีสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวตาลหรือสีขาวสีหรือใบเล็ก ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะคา n ิเอ้ฟ็อว์เซ่ป์ดใบนี้ทาจากหนังใช่ไหมคะอชหรือว่าทาจากพลาสติกหรืออะเดชินหรอนหระ ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะดีอะเมกเกตกูคุณภาพและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะโอ้เดนเน่เวสก์น์อ er ์วิร e เกลี่ริดิฉันชอบค่ะย g liker den. ดิฉันเอาค่ะ j ้ g tar d ด n ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการ n j a ย้ายมือเลงส์บัต e เดนได้แน่นอนค่ะเศรฟล l เกลียเราจะห่อของขวัญให้คุณวิคันพักเกนอ n som p r e s ซ n งที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ d ้ r borte ้ r er k a s ก e n